สมจริงดังคถาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสด้วยว่าบุคคลไม่เป็นมุนีด้วยความเป็นผู้นิ่งแต่เป็นผู้เปล่าไม่ใช่เป็นผู้รู้นะไม่ใช่เป็นมุนีก็นั่งนิ่งแล้วเรียกว่ามุนีไม่ใช่นะไม่ใช่มุนีนิ่งโง่ะนะนิ่งเปล่านิ่งโง่อ่ะไม่ใช่ส่วนบุคคลใดเป็นบัณฑิตถือธรรมะอันประเสริฐละเว้นบาปทั้งหลายเหมือนคนที่ถือเครื่องช่างตั้งอยู่ฉะนั้น บุคคลนั้นชื่อว่าเป็นมุนีเรียกว่าเป็นมุนีโดยเหตุนั้นอนนนก็คือคนตรงอ่ะนะคนที่ละบาปนั่นแหละจึงจะเป็นมุนีและบุคคลใดย่อมรู้อัตทั้งสองในโลกนี้บุคคลนั้นเรียกว่าเป็นมุนีโดยเหตุนั้นบุคคลใดรู้ธรรมะของศาสต ร, ร์บุรุษและธรรมะของอาศาสต ร, ร์บุรุษในโลกทั้งปวงทั้งภายในทั้งภายนอกก้าวล่วงธรรมะเครื่องข้องและตันหาเพียงดังว่าขายดำรงอยู่ เป็นผู้อันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบุคคล น, นั้นชื่อว่ามุนีอันตรงนี้ก็เน้นพาหันเนี่ยนะที่ก้าวล่วงธรรมะเครื่องข้องด้วยเครื่องข้องคือตันหาทิฏฐิเป็นต้นละตันหาเหมือนตาข่ายที่ดักเอาไว้เนี่ยนะที่เทวดาและมนุษย์บูชานี่ยแหละจึงจะเป็นมุนีเพราะฉะนั้นความติดสองอย่างคือติดด้วยตันหากับติดด้วยทิฏฐิเนี่ยแนะ มันผู้ที่มูนีเนี่ยเป็นผู้ที่ละความติดด้วยตันหาสละคืนความติดด้วยทิฏฐิคือไม่ติดพันไม่เข้าไปติดเป็นผู้ไม่ติดไม่ติดพันไม่เข้าไปติดแล้วเป็นผู้ออกสละเสียพ้นขาดไม่เกี่ยวข้องแล้วในความยึดถือทั้งหลายเป็นผู้มีจิตกระทำให้ปราศจากเขตเดนกิเลสอยู่ฉะนั้นจึงเชื่อว่ามูนีไม่เข้าไปติดในความยึดถือทั้งหลาย อันมุนีคือผู้มีโมเนยธรรมทางกายวาจาและใจไม่ยึดถือด้วยอำนาจตันหาและทิฐิเป็นผู้ถอนลูกศรเสียแล้วไม่ประมาทประพฤติอยู่คําว่าผู้ถอนลูกศอนเสียแล้วก็คือถอนลูกศรคือราคะลูกสอนคือโทสะลูกศรคือโมหะนะที่มันทิมแทงในจิตใจลูกศอนคือมานะลูกศรคือทิฐิลูกศรคือความโศกลูกศรคือความสงสัยลูกศอนนี้อันผู้ใดละได้แล้ว ตัดขาดแล้วสงบได้แล้วระ ง, งับได้แล้วทำให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาแล้วด้วยไฟคือยานผู้นั้นเรียกว่าเป็นผู้ถอนลูกศรเสียแล้วคือถอนชักดึงฉุดกระชากสละสารอกปล่อยละสละคือลูกศรเสียแล้วเป็นผู้หมดความอยากดับเย็นแล้วสวยสสุขมีตนดังพรมอยู่ฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้ถอนลูกศรได้แล้วคำว่าประพฤติอยู่ก็คือประพฤต อยู่เที่ยวอยู่ไปเป็นไปหมุนไปรักษาดำเนินไปให้อัตภาพดำเนินไปคำว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเนี่ยนะไม่ประมาทตรงเนี้ยเป็นคำที่ควรศึกษาเป็นอย่างมากแค่ไหนจริงจะเรียกว่าไม่ประมาทเนี่ยนะว่าเป็นผู้ไม่ประมาทก็คือเป็นผู้ทำความเอื้อเฟื้อทำความติดต่อทำไม่หยุดมีความประพฤติไม่ย่อหย่อนไม่ปรงฉันทะไม่ทอดุระในกุศลธรรมทั้งหลายอันนี้เรียกว่าไม่ประมาท ผู้ไม่ประมาทก็คือมีความพอใจความพยายามอุตสาหะเป็นผู้ขยันเป็นผู้ไม่ถอยกลับเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะมีความเพียรเป็นเครื่องกิเลสให้เล่าร้อนความเพียรอันสูงสุดความตั้งใจความประกอบเ น, อเนืองในความไม่ประมาทในกุศลธรรมนั้นว่านะผู้ที่ไม่ประมาทเขาจะคิดอย่างนี้ว่าเราเพึงบำเพ็ญศีลที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์หรือเพึงอนุเคราะห์ศีลขันธ์ที่บริบูรณ์ในที่ น, นั้นด้วยปัญญา โดยอุบายอย่างไรนะนะเรียกว่าสินที่ยังไม่ดีจะทําให้ดีสินที่ดีแล้วจะพอกพูนให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอะ่ะคนที่มีแนวความคิดแบบนี้เรียกว่าผู้ไม่ประมาทความไม่ประมาทคือความพอใจในกุศลธรรมว่าเราพึงยังสมาธิขันที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์หรือเราพึงอนุเคราะห์สมาธิขันที่บริบูรณ์ในที่นั้นๆด้วยปัญญาโดยอุบายอย่างไร คือคิดอย่างไรสมาธิขันที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นสมาธิขันที่เกิดขึ้นแล้วจะดียิ่งขึ้นไปเนี่ยนะความไม่ประมาทคือความพอใจในกุศลธรรมนั้นว่าเราพึงยังปัญญาขันที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์หรือพึงอนุเคราะห์ปัญญาขันที่บริบูรณ์ในที่ น, นั้นๆด้วยปัญญาด้วยอุบายอย่างไรคือคิดอย่างไงปัญญาทั้งหลายจะบริบูรณ์ยิง่งขึ้นไปเนี่ยนะความไม่ประมาทคือความพอใจในกุศลธรรมนั้นว่าเราพึงยังวิมุติขัน นนะวิมุตติญาณทัศนขันที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์พึงอนุเคราะห์วิมุตติขันวิมุตติญาณทัศนขันที่บริบูรณ์ในที่ น, นั้นด้วยปัญญาโดยอุบายอย่างไรเนี่ยนะคือจิตใจมุ่งที่จะให้ธรรมขันท่าคือสีละขันสมาธิขันปัญญาขันวิมุตติขันวิมุตติญาณทัศนขันเนี่ยพอกพูนภยัยบล บ, บริบูรณ์ยิ่ ง, งขึ้นไป ความไม่ประมาทคือความพอใจความพยายามความอุตสาหะความเป็นผู้ขยันความเป็นผู้ไม่ถอยกลับความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะความเพียรเป็นเหตุให้กิเลสเล่าร้อนความเพียรอันสูงสุดความตั้งใจความประกอบเนืองเนืองความไม่ประมาทในกุศลธรรมนั้นว่าเราพึงทําปริญญาในทุกข์ที่ยังไม่ทําปริญญาก็ตั้งใจเลยนะทุกที่ที่ทำไม่ยังไม่ทําปริญญาก็ทาปริญญาให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปพึงละกิเลสทั้งหลายที่ยังละไม่ได้ พึงเจริญมักที่ยังไม่เจริญหรือพึงทำให้แจ้งซึ่งนิโรธที่ยังไม่แจ้งโดยอุบายอย่างไรอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทประพฤติอยู่เนี่ยนะเรียกว่าผู้ไม่ประมาทจริงจริงต้องเป็นอย่างนี้ผู้ไม่ประมาทคือมุ่งที่จะอบรมให้ธรรมขันธ์ห้าคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนขันธ์เนี่ยเจริญไม่ประมาทที่จะทำปริญญาในทุกละสมุทัย ภาวนาในอริยมรรคทาให้แจ้งซึ่งนิโรธนะนะมันก็จิตใจเนี่ยมุ่งหวังที่จะแทงตลอดอริยสัตว์เรียกว่าไม่ประมาทอันผู้ที่ถอนลูกสอนและไม่ประมาทดังที่กล่าวแล้วก็ไม่หวังในโลกนี้และโลกหน้านะคำว่าไม่หวังโลกนี้ก็คือไม่หวังในอัตภาพของตนไม่หวังโลกหน้าก็คืออัตภาพในปรโลกไม่หวังทั้งชีวิตในชาตินี้ไม่หวังทั้งชีวิตในชาติหน้า ไม่หวังโลกนี้คือขันท่าที่เป็นของตนไม่หวังโลกหน้าก็คือขันท่าของผู้อื่นนะไม่ติดในขันท่าของตัวเองในภายในไม่ติดขันท่าของผู้อื่นในภายนอกไม่ติดสักอย่างไม่ติดขันท่าของตัวเองในชาตินี้ด้วยแล้วไม่ต้องการขันท่าในชาติต่อไปอีกด้วยเนี่ยนะไม่หวังโลกคืออเยตนะภายในหกโลกนี้คืออเยตนะภายในหกโลกหน้าคืออเยตนะภายนอกหกไม่หวังโลกนี้คือมนุษย์โลกไม่หวังโลกหน้าคือเทวโลก ไม่หวังโลกนี้คือกามาธาตุไม่หวังโลกหน้าคือรูปธาตุอรูปธาตุไม่หวังโลกนี้คือกามาธาตุรูปธาตุไม่หวังโลกหน้าคืออรูปธาตุเพราะฉะนั้นไม่หวังไม่อยากได้ไม่ยินดีไม่ปรารถนาไม่รักใคร่ไม่พอใจซึ่งคติอันนแม้กระทั่งมนุสสคติเทวตัคเทวคติเนี่ยนะไม่ต้องการไม่ต้องการอุบัติปฏิสนธิเกิดในที่ต่างๆไม่ต้องการไม่ต้องการปฏิสนธิในภพใดๆเนี่ยนะ นะถ้าไม่ต้องการปฏิสนธิเนี่ยของเราทั้งหลายนะให้ดูนะอารมณ์ไหนมั่งไม่เป็นอารมณ์ของปฏิสนธิมั่งเอาออทุกอย่างเป็นที่ตั้งแห่งปฏิสนธินะแต่พระธันเนี่ยทุกอย่างไม่เป็นที่ตั้งแห่งปฏิสนธิของท่านนะเอเพราะนั้นไม่ต้องการพบสามเนี่ยนะกรมมาพบรูปประพบอรูปประพบไม่ต้องการสงสารคือขันอายตนะาธาตุหรือไม่ต้องการวัตะกรรมวัดกิเลสวัฏนะกรรมวัดอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเรียกว่าไม่หวังโลกนี้และโลกหน้า สรุปว่าไม่ต้องการขันตัวเองทั้งโลกนี้โลกหน้าไม่ต้องขันพายต้องการไม่หวังไม่ต้องการขันภายในภายนอกไม่ต้องการอายตนะภายในภายนอกไม่ต้องการมนุษย์โลกเทวโลกไม่ต้องการกามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุไม่ต้องการแม้กระทั่งคติอุบัติปฏิสนธิพบสงสารหรือวัตตะอีกต่อไปเนี่ยนะนี่เป็นมุนีจริงจริงเลยนะมุนีผู้มีโมเนยธรรมทางกายวาจาใจทําปริญญาในสัญญาแล้วก็ไม่เข้าไปติดด้วยอํานาจตันหาทิฐิ ข้ามโอ่าสีอนลูกสอนเจ็ดไม่ประมาทประพฤติ ธ, ธรรมขันหทำปริรอบรู้ในอริยสัจสี่แทงตลอดอริยสัจสี่ไม่หวังโลกนี้ทั้งโลกหน้าเนี่ยนะนั้นข้อความในสูตรนี้ก็จบลงที่อรหัตตะมักอรหัตตะผลเนี่ยนะเป็นพระอรหันต์ผู้สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมอันวิเศษยิ่งนะมันก็เป็นสูตรที่กล่าวถึง ผู้ที่ติดข้องในร่างกายจนถึงปฏิบัติตัดฉันทราคะละอะไรเยื่อใยในร่างกายทั้งไพเราะโดยเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเนี่ยนะเป็นคําสอนที่ประกาศพรมจรรันทร์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงอันผู้ที่รอบรู้พระสูตรเหล่านี้ทรงจําสูตรเหล่านี้ประพฤติธรรมสมควรแก่ทำเขาเหล่านั้นก็ผึงวังได้ว่าข้ามพ้นจากวัฏฏทุกข์ได้อย่างแน่นอนเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นข้อความในคูหัตะตะสุตตานิเทศที่สอง